ที่สะสมเป็นมวลสารมากมายมีเพศเป็นชายชื่อว่ากยายสาซึ่งต่อมาเราก็เรียกว่าสังกษานะคะและแผ่นดินอีกผืนหนึ่งค่ะก็เกิดเป็นมนุษย์เพศหญิงจากขี้ตมปวกเช่นเดียวกันชื่อว่ากายศรีหรือต่อมาเราเรียกว่าสังกสีนะคะการต่อมาลมได้พัดพาแผ่นดินสองผืนลอยมาพบแล้วก็บรรจบัน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 เป็นชนเผ่าที่ยังไม่ค่อยเจริญนะคะต่อมาเมื่อนาอเท้าขูลูเจริญวัยอยากมีคู่ครองก็ลามารดาเมืองกายนานครแล้วก็ได้มีใจต่อนางอ้วเขียมเท้าขูลูประทับอยู่เมืองกายนานครระยะหนึ่งก็ลากลับเมืองเพื่อส่งผู้ใหญ่มาสู่ขอ